จุดสำคัญที่มีความก้าใจกไหยเขวและหลงผิดกันมากก็คือความรู้สึกว่ามีตัวผู้คิดต่างหากจากความคิดคือเท่ากับมีผู้คิดความคิดมีผู้จงใจหรือผู้เจตนาต่างหากจากเจตนามีผู้เสพเสวยเวทนาต่างหากจากเวทนาตลอดจนมีตัวผู้ทำกรรมต่างหากจากกรรมหรือต่างหากจากการกระทา แม้แต่นักปราชญใหญ่ๆมากมายก็พากันติดอยู่ในกับดักของความหลงผิดอันนี้จึงไม่สามารถเข้าถึงความจริงที่ล้นล้วนบริสุทธิ์ปราศจากการเคลือบกลุ่มของความรู้สึกที่เป็นอัตวิสัยดังเช่นเรเนเดกัสนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสผู้มีชื่อเสียงมากท่านหนึ่งพิจารณาไตรตรองเป็นนักหนาเกี่ยวกับความสงสัยครุ่นคิดไปมาแล้วก็ลงข้อสรุปว่าฉันคิด เพราะฉะนั้นฉันจึงมีความรู้สึกในตัวตนคืออัตตาหรืออาตามันที่แยกออกมาอย่างนี้เป็นความรู้สึกสามัญของปุถุชนโดยทั่วไปเป็นความรู้สึกที่นึกหน่าสมจริงและคล้ายจะสมเหตุสมผลโดยสามัญสำนึกแต่เมื่อสืบสาวลึกลงไปให้ตลอดสายจะมีความขัดแย้งในตัวเองคำถามตำหนงนี้ ได้มีผู้ยกขึ้นทูลถามพระพุทธเจ้ามาแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเช่นว่าใครหนอผัสสะใครรับรู้ใครเสวยเวทนาใครอยากใครยึดพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าคําถามเช่นนั้นใช้ไม่ได้เป็นคําถามที่ตั้งขึ้นตามความรู้สึกไม่สอดคล้องกับสภาวะเข้ากับสภาพความเป็นจริงที่แท้ไม่ได้ถ้าจะให้ถูกต้องถามว่า อะไรเป็นปัจจัยให้มีการรับรู้อะไรเป็นปัจจัยให้มีเวทนาอะไรเป็นปัจจัยให้มีการอยากการยึดอธิบายว่าการคิดก็ดีความจงใจเจตนาก็ดีการอยากการปรารถนาก็ดีการเสวยเวทนาก็ดีเป็นองค์ประกอบอยู่ในกระบวนการแห่งรูปธรรมและนามธรรมชั้นใดความรู้สึกถึงตัวผู้คิด หรือตัวผู้เจตนาเป็นต้นก็เป็นองค์ประกอบอยู่ในกระบวนการนั้นชั้นนั้นและองค์ประกอบเหล่านั้นก็สัมพันธ์โดยอาการเป็นเหตุเป็นปัจจัยสืบทอดต่อกันมีแต่การคิดและความรู้สึกถึงตัวผู้คิดคือความหลงผิดว่ามีตัวผู้คิดไม่ใช่มีตัวผู้คิดเองเป็นต้นที่เกิดสืบต่อกันอยู่ในกระบวนการมเดียวกันว่าที่จริงความรู้สึกว่ามีตัวผู้คิดก็เป็นอาการคิดอย่างหนึ่ง พูดอย่างง่ายๆว่าเป็นขณะหนึ่งในกระบวนการคิดการที่เกิดความหลงผิดหรือคิดผิดรู้สึกว่ามีตัวผู้คิดก็เพราะไม่รู้จักแยกองค์ประกอบต่างๆที่สัมพันธ์สืบต่อกันอยู่ในกระบวนการมและไม่สามารถกําหนดแยกความเป็นไปในแต่ละขณะแต่ละขณะในขณะกําลังคิดย่อมไม่มีความรู้สึกถึงตัวผู้คิดและในขณะกําลังรู้สึกถึงตัวผู้คิดก็ไม่มีการคิด กล่าวคือในขณะกําลังคิดเรื่องที่พิจารณาย่อมไม่มีการคิดถึงตัวผู้คิดและในขณะกําลังคิดถึงตัวผู้คิดก็ย่อมไม่มีการคิดเรื่องที่กําลังพิจารณาแท้จริงแล้วการคิดเรื่องก็ดีความรู้สึกถึงตัวผู้คิดหรือความคิดว่ามีตัวผู้คิดก็ดีต่างก็เป็นความคิดต่างขณะกันที่อยู่ในกระบวนธรรมเดียวกันส่วนตัวผู้คิด ก็เป็นเพียงความคิดปรุงแต่งที่กลับมาเป็นอารมณ์ของความคิดอีกขณะหนึ่งหรือตัวผู้คิดก็เป็นเพียงภาพที่กลับมาเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งของความคิดอีกขณะหนึ่งเท่านั้นเองความเข้าใจเขวหรือหลงผิดที่กล่าวมานี้เกิดจากการพิจารณาโดยไม่แยกคายคือเกิดจากอโยนิสมานาสิการเข้าหลักทิฏฐิหกอย่างใดอย่างหนึ่งในพุทธพจน์ ในสัพพาสวะสังวรสูตรมัจิมนิกายมูลปันนาที่ว่าเมื่อปุตุชนนั้นมนาสิการโดยไม่แยกคาอย่างนี้ทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งในทิฏฐิหกอย่างย่อมเกิดขึ้นคือเขาย่อมเกิดทิฏฐิยึดถือเอาเป็นจริงเป็นแท้ว่าเรามีอัตตาเราไม่มีอัตตาเรากำหนดรู้อัตตาด้วยอัตตาเรากำหนดรู้สภาวะ ที่มิใช่อัตตาด้วยอัตตาเรากําหนดรู้อัตตาด้วยสภาวะที่มิใช่อัตตาหรือมิฉะนั้นก็จะมีทิฏฐิดังนี้ว่าอัตตาของเรานี้แหละที่เป็นตัวบงการเป็นผู้เสวยประสบวิบากแห่งกรรมที่ดีและชั่วณที่นั้นนั้นที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าชื่อที่ตั้งให้แก่ภาพรวมเป็นตัวตนสมมติที่ซ้อนอยู่ ล, ยลอยลย ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีผลกระทบกระเทือนต่อกระบวนกา ร, รมเลยนอกจากโดยความยึดถือนั้นขอขยายความเสริมเข้าอีกว่าถึงแม้ตัวตนจะไม่มีอยู่จริงก็ตามแต่ความยึดถือในตัวตนนั้นก็ก่อให้เกิดปัญหาได้เพราะความยึดถือนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งในกระบวนธรรมเมื่อเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งมันก็เป็นปัจจัยแก่องค์ประกอบอย่างอื่น และทำให้เกิดผลกระทบแก่กระบวนํารได้เนื่องจากความยึดถือตัวตนนั้นเป็นปัจจัยฝ่ายอากุศลคือไม่เกื้อกูลเพราะเกิดจากอาวิชชาความไม่รู้ตามเป็นจริงและเกิดขึ้นโดยอาการแทรกแซงเข้ามาขวางคืนกระแสคือทั้งที่ไม่แก้ไขเหตุปัจจัยก็จะไม่ยอมให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยจึงก่อให้เกิดผลทางร้ายในด้านหนึ่ง ก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในกระบวนธรรจนออกผลเป็นความรู้สึกบีบคั้นที่เรียกว่าทุกขเวทนาดังนั้นผู้ไม่รู้เท่าทันตามเป็นจริงหลงยึดติดในสมมติถือมั่นตัวตนที่สมมุติขึ้นเป็นจริงจัง <c oughs> ก็จะถูกความยึดมั่นถือมั่นนั้นแหละบีบคั้นกระทบกระแทกเอาทําให้ได้รับความรู้สึกทุกข์เป็นอันมากส่วนผู้รู้เท่าทันสมมติ ไม่ยึดติถือมั่นในตัวตนนั้นก็มองเห็นแต่กระบวนธรรมที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยเขาสมมุติเรียกขานกระบวนการนั้นกันอย่างไรก็รู้เข้าใจเรียกขานไปตามนั้นแต่เมื่อต้องการอย่างไรก็แก้ไขและทําการไปตามเหตุปัจจัยไม่หลงให้ความอยากความยึดมาเป็นเครื่องบีบคั้นตัวก็ไม่ต้องได้รับความทุกข์จากความยึดติดถือมั่นนั้นเรียกว่ารู้จักใช้สมมติให้เป็นประโยชน์ โดยทำการได้สำเร็จด้วยปัญญาที่ยั่งถึงความจริงแห่งเหตุปัจจัยและทั้งอีกด้านหนึ่งก็ไม่ต้องประสบโทษทุกข์ภัยจากความยึดติดในสมมตินั้นด้วยความยึดถือในตัวตนจะก่อผลทางร้ายหนุนให้เกิดองค์ประกอบฝ่ายอกุศลที่เรียกว่ากิเลสขึ้นในกระบวนธรรมตามติดมาอีกหลายอย่างโดยเฉพาะตัณหาคือความเห็นแก่ตัวทยานอยาก แสหาเครื่องบำรุงบำเรอปนเปรตตนมานะคือความถือตัวสำคัญตนเป็นนั่นเป็นนี่ไฟสแสวงอำนาจมาเชิดชูตนและทิฏฐิคือความยึดติดในความเห็นของตนถือรั้นเอาความเห็นของตนเป็นความจริงหรือถือมั่นให้ความจริงจะต้องเป็นอย่างที่ตนเห็นซึ่งล้วนเป็นปัจจัยก่อให้เกิดความบีบคั้นขัดแยง้งขยายเพิ่มพูนและกว้างขวางออกไป ทั้งภายในและภายนอกผู้ไม่รู้เท่าทันสมมติหลงยึดติดถือมั่นตัวตนเป็นจริงจังจะปล่อยให้กิเลสเหล่านี้เป็นตัวบงการบัญชาการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมของตนทำให้ความทุกข์แพร่หลายและเพิ่มทวีทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นที่เกี่ยวข้องส่วนผู้รู้เท่าทันสมมติไม่หลงยึดติดถือมั่นในตัวตนนั้น ย่อมปลอดพ้นจากอำนาจวงการของกิเลสเหล่านี้ไม่ยึดถือด้วยความหลงว่านี่ของฉันฉันเป็นหนี้หนี้เป็นตัวตนของฉันครองชีวิตอยู่ด้วยปัญญาที่รู้เท่าทันสมมติและให้ทำการตามเหตุปัจจัยเป็นฐานที่ตั้งและที่แพร่ขยายแห่งความปลอดภัยไร้ทุกข์ทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่น